วัดนี้จะแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปนัยะแห่งอนิจจสัญญาการที่ทรงสอนให้กำหนดหมายหรือพิจารณาเห็นว่าการทั้งห้าเป็นของไม่เที่ยงนั้นโดยหลักการปฏิบัติแล้วก็เป็น หรือปัศสสนากรรมฐานคือการใช้ปัญญาพิจิพิจารณาสอดส่องจนเกิดความรู้แจ้งเห็นจริงตามนั้นได้ลกล่าวมาในส่วนของรูปที่มองเห็นว่ารูปเป็นของไม่เที่ยงและในส่วนรูปนั้นพึงเข้าใจว่า โดยการปฏิบัติแล้วก็หมายถึงทั้งสิ่งที่เห็นด้วยตาได้ยินด้วยหูสูดดมด้วยจมูกลิ้มด้วยลิ้นได้ถูกต้องด้วยกายคือพูดง่ายว่าเข้ามารูปก็คือรูปเสียงกลิ่นรสนั่นเองรูปเสียงกลิ่นรสผลภัณฑ์นั่นเองที่บุคคลกระทบทางประสาทสัมผัสท่าแรกในข้อต่อไปก็ส่งสอในให้พิจารณาถึงสัญญาคือความทรงจํา ความจาก็คือการที่จิตรับรู้รูปเป็นต้นที่ผ่านมาทางตาเป็นต้นและเก็บไว้ภายในใจใจหรือจิตจึงมีหน้าที่อีกประการหนึ่งก็คือเก็บหรือสังสมอารมณ์เอาไว้เรียกสิ่งที่เก็บสะสมนั้นว่าจำอารมณ์สิ่งที่จำไว้จึงเป็นเรื่องของรูปเสียงกลิ่นรสผลต ภ, ภะและธรรมอารมณ์ ความจำจะหลากหลายยังไงก็ตามสรุปแล้วก็มีเท่านี้เองคือเกาะกลุ่มเป็นสี่กลุ่มด้วยกันสัญญาคือความจํานั้นบางอย่างเกื้อกูลต่อจิตใจเช่นความจําสิ่งที่ดีงามทั้งหลายไว้ก็กาะให้เกิดความสุขเมื่อรำลึกถึงแล้วก็ให้เกิดความปีติโสมนัตในกรณีที่ทราบซึ่งในสิ่งนั้นๆ ความจำในส่วนนี้ที่จริงท่านเน้นให้จําในแง่ของธรรมะปฏิบัติทั่วไปเช่นการศึกษาเราเรียนธรรมะก็เน้นที่จําที่ท่านใช้คำว่าตาคืททอทรงจําเอาไว้แต่ความจําส่วนหนึ่งเมืเก็บไว้เมื่อจาไว้ก็ทําให้จิตใจไม่มีความสงบไม่มีความสุขกระสับกรส่ายหรือร่าเรอนหรือประสบทุกขเวทนา มีอาการต่างๆกสรุปว่าสิ่งที่จำไว้นั้นก็มีทั้งดีและไม่ดีในกลางๆทำไมในชีวิตรประจำวันของคนเวลาเห็นรูปเป็นต้นจึงมีความรู้สึกอยู่สามทางตามลักษณะของอารมณ์ที่ตนจำเอาไว้กร น, นี้สามารถกำหนดพิพนิจพิจารณาได้ทุกขณะที่ประสบอารมณ์ว่าทาไมจึงรู้สึกอย่างนั้นทำไมกับเรื่องนี้จึงรู้สึกอย่างนี้ ทำไมาจะรู้สึกอย่างนั้นแล้วเมื่อตรวจสอบลงไปแล้วก็จะพบว่าเกิดขึ้นจากจิตที่จำอารมณ์นั้นและกำหนดอารมณ์ในขณะนั้นก็แสดงว่ามีอยูสองตอนตอนแรกก็คือเก็บไว้สั่งสมเอาไว้ถ้าสั่งสมเอาไว้ในแง่ดีพอเห็นรูปเป็นต้นในการต่อมาถึงตนเก็บไว้ในแง่ดีก็จะเกิดความรู้สึกพอใจ ยินดีเพลิดเพลินเช่นว่าเก็บภาพญาติพี่น้องเอาไว้ในฐานะเป็นญาติพี่น้องผู้สนิทสนองคุ้นเคยเพราะเมื่อพบกันก็จะเกิดความชื่นชมยินดีแต่ว่ารูปบางชนิดหรือว่ารูปเสียงเป็นต้นก็ตามสรุปแล้วว่าทั้ ง, ง5้ประการดังกล่านั้ น, น, นบางอย่างพอได้เห็นข้าวก็เกิดความไม่พอใจเกิดความอึดดั ถ้ลองสอบถามใจตัวเองว่าทําไมจึงคิดอย่างนั้นเราก็จะตอบได้ว่าเราเก็บรูปนันไวในฐานะไม่ดีเช่นคนนี้เคยดา่าเราเคนนี้เคยประหารเราเ ค, คนนี้เคยประทุษร้ายต่อเราเคนนี้เป็นสัตรูของญาติปิจของเราเป็นต้นแล้ว เ, เก็บเขาไว้ในฐานะไม่ดีเพรา ะ, ะนั้นพอพบทุกครั้งมันก็เกิดความรู้สึกไม่ดีขึ้นมาแต่รูปเป็นต้นบางอย่าง เราเคยผ่านพบเป็นปกติธรรมดาไม่เคยมีความรู้สึกทั้งรักทั้งชังเพราะฉั้นพอพบอีกมันก็รู้สึกเฉยอันนี้ถือว่าเป็นช่วงของสัญญาโดยตรงแต่ช่วงหนึ่งเป็นเรื่องในขณะนั้ น, น, นคือการกําหนดอารมณ์ในขณะนั้นซึ่งอาจจะเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับปริมาณของปัญญาและเหตุผลที่เกิดขึ้นในขณะสัมผัสกับอารมณ์ดอกนั้น ฉนเคยเก็บความรู้สึกต่อคนคนหนึ่งไว้ในฐานะที่ไม่ดีเหตการผ่านไปนานเข้าในความจํานั้นมันก็เสื่อมไปโดยสภาพประสภาพของแกรจริงๆก็คือไม่เที่ยงจะเก็บไว้ในฐานะเป็นดีหรือไม่ดีก็ตามสภาวะจริงๆของแกคือไม่เที่ยงพรั้แก่ก็เปลี่ยนไปให้เราสังเกตุความรู้สึกไม่พอใจความโกรธเป็นต้นที่เกิดขึ้นนั้นแกก็จางแกก็คลายแกก็ซึส ง, งบลงไป บางทีก็อาจจะลืมหายไปว่าในกรณีที่ความรู้สึกไม่ดีกระจางแกคลายลงพอเราพบแกในครั้งที่สองมีปัญญาเกิดขึ้นเห็นว่าเรื่องมันแล้วไปแล้วอย่าถือส า, าความกันเลยตอนนี้เขาก็ไม่เป็นอย่างนั้นแล้วปัญญาที่เกิดขึ้นนั่นเองจะทำหน้าที่สลายความรู้สึกไม่พอใจที่มีอยู่ก่อนซ้าเติมขึ้นไปอีก ในขณะนั้นอาจจะรู้สึกเฉยๆหรืออาจจะรู้สึกเมตตานี่แสดงเห็นว่าลักษณะของสัญญานั้นคือการเก็บการสั่งสมอารมณ์เอาไว้ตามสถานะของจิตคือตามหน้าที่ของจิตที่แปลว่าเก็บสะสมรมรรแต่การสะสมนั้นลึกๆบางก็เรียกว่าสะสมจิ ต, ตสันดานคือสั่งสมเอาไว้ข้ามภพข้ามชาติ จนกลายเป็นสร้างลักษณะนิสัยของบุคคลเช่นบางคนมีความโกรธแล้วก็เก็บความโกรธเอาไว้นานๆแสดงว่าในจิตสันดาลนั้นเก็บสั่งสมเรื่องเหล่านี้เอาไว้มากเชื้อภายในมีอยู่มากรับเชื้อเพิ่มเข้ามีความเข้มข้นสูงขึ้นจึงกลายเป็นคนมีความอาฆาตเป็บาทรุนแรงแต่ในขณะเดียวกันการสั่งสมนั้นก็สั่งสมดีก็มี ที่เราเรียกว่าบารมีคือเก็บการสั่งสมความดีเอาไว้เพราะ ใ, ใครสั่งสมความดีงามต่างๆเอาไว้ในจิตสัณฐานของตนก็มีความโน้มเอียงออกมาในรูปของความเสียสละรูปของความเมตตารูปของความกรุณาต่อบคุคคลทั้งหลายคอนี้ที่จริงก็คือสัญญาอย่างหนึ่งแต่เป็นสัญญาในอดีตที่ไกลคือเก็บสั่งสมไว้ในอดีตการ แล้ก็สร้างเป็นจิตสันดานของบุคคลเหล่านั้นให้มีลักษณะแตกต่างกันแม้แต่เรื่องที่พระพเจ้าทรงจำแนกคนออกเป็นปดอกบัวสีเหลาก่อนจะแสดงธรรมก็สืบเนื่องมาจากการสั่งสมจิตสันดานของบุคคลที่ต่างกันนั่นเองแต่ว่าในขณะเดียวกันเราก็สอนให้มองสัญญานั้นว่าเป็นของไม่เที่ยง การมองให้เห็นไม่เที่ยงเป็นการมองระดับวิปัสนาเรียนรู้ความจริงที่แ ท, ท้จริงของสัญญาซึ่งบุคคลสามารถสังเกตเห็นได้ง่ายๆเพราะโดยสภาพจริงๆแล้วแกไม่เที่ยงบางครั้งยุ่งๆก็จริงๆเมื่อเช้ารับประทานอาหารอะไรบ้างยังนึกไม่ออกนี่แสดงว่าสิ่งที่เราประสบพราเห็นมามันก็ไม่เที่ยงมันก็ดับไป ลักษณะาการกับกำหนดหมายเห็นว่าเป็นของไม่เที่ยงนั้นก็คือหนึ่งสิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นแล้วจะต้องดับไปที่เรียกว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปมีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องไม่หยุดนิ่งคือจะเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดแล้วเมื่อดำรงอยู่ก็เป็นการดำรงอยู่เพียงช่วขณะหนึ่งขณะหนึ่งเท่านั้นเองไม่ดารงอยู่ได้นาน ได้ส่งกันข้ามกับสิ่งที่เที่ยงแพ้เพราะฉนั้นสัญญาทั้งหมดสัญญานั้นก็เป็นสังขารนั้นจะเห็นว่าขัานห้านั้นที่จริงก็คือสังขารบางครั้งไม่ทรงจําแนกแสดงแนวนี้แต่ทรงจําแนกแสดงว่าสเบสังขารานิจารือสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงคือพูดสรุปรวมไปเลยแต่ในที่นี้เนื่องจากทรงแสดงทั้ง10บข้อก็แยกจําแนกแสดงให้ดูเฉพาะในส่วนของขันห้า จะมองเห็นว่าเป็นของไม่เที่ยงความจำส่วนที่ดีก็ตามไม่ดีก็ตามกลางๆ ก, ก็ตามไม่เที่ยงโดยสภาพบางแก่มีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงเกู่ไม่คงที่แล้วอาจจะดับหายไปเลยก็ได้ที่เดียวกว่าสัญญาดับบางครั้งเรื่องที่เคยทรงจำเอาไว้ถึงคราวจะนึกนึกไม่ออกคล้ายๆจะนึกออกแต่นึกไม่ออก นี่ก็เรียกว่าลักษณะของสัญญาที่มันดับไปเป็นการดับที่มองเห็นก็ได้ชัดแตถ้าเรามองกันในจุดนี้คือเฉพาะจุดของสัญญาจุดเดียวก็จะเห็นว่าสามารถจะแก้ไขปัญหาในด้านจิตใจในด้านต่างๆเช่นไปเก็บอารมณ์ที่ไม่ดีเอาไว้เก็บความโกรธความริษยาความอาฆาตความไม่พอใจของบุคคลทั้งหลายเอาไว้ เราก็เห็นว่าแกไม่เที่ยงเมื่อแกไม่เที่ยงก็ปล่อยให้แกดับไปแกไม่เที่ยงแกเปลี่ยนแปลงแปรปรวนไปคืออย่าไปเพิ่มเชื้อข้าวพอจะเพิ่มเชื้อแล้วก็ไม่คงที่เพรา ะ, ะนันโกรธก็อย่ามาจุดนึกต่ออ่าจึดนึกด้วยอำนาจของความโกรธต่อก็จะทำให้สิ่งนั้นซึ่งไม่เที่ยงโดยสภาพแกก็ดับไปในที่สุดทีนี้ของที่ดีๆอ่ะ เป็นการศึกษาการปฏิบัติธรรมผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติธรรมมันก็คือกันคือไม่เที่ยงเหมือนกันเพราะเมื่อไม่เที่ยงก็ต้องพยายามรักษาไว้พยายามเพิ่มพูนไว้คล้ายๆกับหนังสือที่เรารู้ว่าเราความจําเราไม่เที่ยงเราก็ต้องท่องไว้ไบ่อยๆทำให้รรการทรงจําเหล่านั้นใต้เหตุปัจจัยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆไอ้ความไม่เที่ยงก็คงไม่เที่ยงหรอกแต่ว่า เมื่อมีการเพิ่มเหตุปัจจัยขึ้นมาสม่ำเสมอโอกาสที่จะทรงจำที่จะรักษาสิ่งเหล่านั้นเอาไว้มันก็มีได้ง่ายกาสามารถนามาใช้สิ่งที่เป็นประโยชน์ได้ส่วนอารมณ์ที่เป็นกลางๆ ก, ก็สามารถกำหนดพิจารณาให้เข็นความจริงของสิ่งนั้นเพราะอารมณ์กลางๆนั้นง่ายต่อการพิจารณาเนื่องจากไม่ใกล้ต่อกิเลส เวลาพิจารณาเห็นถึงสภาพไม่เที่ยงของสิ่งเหล่านั้นแล้วก็เชื่อมไปหาพวกอารมณ์ที่ดีก็ได้อารมณ์ที่ไม่ดีก็ได้ในสุดก็มาสรุปรวมว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงปัญหาที่น่าคิดก็คือว่าอาศัยคำเพียงคำเดียวไม่เที่ยงจะช่วยอะไรได้นักหนาเฉยๆก้อนนี้จริงๆแล้วถ้า บุคคลพิจารณาอยู่บ่อยๆด้วยอาศัยคําว่าอ น, นิจจังเพียงคาเดียวทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตมองเห็นให้เป็นอ น, นิจจังไว้เรื่อยๆเก็บสังสมไว้ภายในยจิตเรื่อยๆและในที่สุดนั้นก็จะเบือเบ่อหน่ายจะคลายกาหนัดจากการข่อยค ว, ว้าแสวงหาสิ่งต่างๆเพราะจริงๆแล้วสิ่งต่างๆนั้นไม่เที่ยงเราเองก็ไม่เที่ยงเราจะแบกจะหามจะขอบ จะไขว้เอามาทําอะไรก็ไม่รู้ก็จิตก็จะเบื่อหนา่ายจะคลายกำหนัดในอารมณ์ทั้งหลายโดยสายการมองจากจุดเพียงจุดเดียวเล็กๆจุดเดียวแต่จุดเล็กจุดนี้เองมันคลุมทุกสิ่งทุกอย่างในโลกเอาไว้ข้อนี้เพิงสังเกตตัวอย่างเช่นพระจุลปันธากะเทระซึ่งไม่มีความรอบรู้คือเป็นคนโง่ทึบ ไม่สามารถที่จะเรียนหนังสือเรื่องทรงจาไม่ได้ท่องคาถาสีบรรทัด ต, ตั้งสเดือนยังไม่จบแต่พระพุทธเจ้าให้คำเป็นคำเดียวแปลว่าผ้าเปื้อนฝุ่นหรือผ้าเปื้อนทุเรียนลดูแล้วไม่มีความหมายอะไรผ้าเปื้อนทุลรียนผาเปื้อนทุ เ, เ, นทเีนั่งบริกรรมอยู่ภาษาบาลีวระโชระนางระโชระนั ง, นงแต่แปลเป็นไทยก็คือผ้าเปื้อนฝุ่นหรือผ้าเปื้อนทุี ดูแล้วไม่มีความหมายแต่ย่าลืมกมาในการบริกรรมเนี่ยมันก็เป็นบริกรรมภาวนาปากเราว่าสมมุติว่านาโมนาโมนาโมอยู่ตลอดใจมันจะค่อยๆส ง, งบอยู่กับบทนาโมนั่นเองก็กลายเป็นสมาธิเพราะท่านพิจารณาดูที่ภาพมันเป็นอย่างที่ท่านบริกรรมจริงเพราะในขณะที่บริกรรมท่านก็นั่ง ปึงผ้าไปด้วยขยําผ้าไปเลยเงอือกมันก็ออกผ้านก็เปื้อนยเรื่อยในสุดก็เห็นเพราะผ้านั้นเปื้อนตัวดีจริงไอ้ความคิดที่อาศัยสมาธิมันก็เกิดขึ้นว่าเอ๊ะทำไมจึงเปื้อนเมื่อครู่นี้มันขาวๆอย่างนี้นะทําไมจึงเป็นช น, นี้ แต่ปัญญาก็เกิดขึ้นตรงกลางจิตที่สงบนั่นเองก็บอกว่าเพราะอาศัยกายที่มันเปื้อนทุลี <c oughs> ก็ทําให้ผ้าซึ่งเปื้อนทุลีโดยสภาพก็เปื้อนเพิ่มขึ้นในสุดก็มา ม, มองที่กายซึ่งเป็นที่ตั้งแห่งความกําหนัดความกัดเคืองความรุ่มหลงของคนของสัตว์ทั้งหลายเป็นที่เกิดของอาหางการความเป็นเราประมังการความเป็นของเราก็อยู่ที่กายนั่แหละดังนั้น แ้วก็มองกลับไปที่กายของท่านเก่าเออกายของเราเนี้มันก็เปื้อนทุรีมันก็ส ก, กปรกแล้วมองไปที่กายบุคคลอื่นมองไปที่สิ่งท่างหลายเห็นสิ่งท่างหลายเพราะมันเปื่อนมองดูที่ใจใจเออใจมันก็เปื้อนใจมันก็เปื่อนด้วยทุลีทุรีคือราคะทุรีคือโลภทุรีคือโทสะคุลิตทุลีคือโมหะมันก็ทุลีทั้งนั้นคือสิ่งส ก, กปรกทั้งนั้นมีฝุ่นมีละอองจับอยู่ทั้งนั้นหลย อความรู้ที่เกิดจากผ้าซึ่งเปื้อนทุลีนั้นมันก็น้อมตีคลุมไปกระจายไปหมดถึงกลายเป็นสังขารทั้งหลายมองเห็นว่าสังขารต่างหลายนั้นแปดเปื้อนสกภพหมักผมด้วยสิ่งที่เป็นทุลีในที่นี้ใช้คัว่าทุลีก็แล้วแต่จะใช้คาไหนแต่เห็นว่าสิ่งนั้นไม่มีความสะอาดอยู่ในตัวนี่ก็มองในแนวของอสุภัสัญญา พอ ม, มาถึงจุดนี้ก็มองในแนวนิจจะสัญญาก็คือกันอาศัยถ้อยคําเพียงคําเดียวแต่ว่าคิดนึกอยู่เรื่อยๆแต่ในที่นี้ทรงสอนให้นึกกระจายเพราะบางทีนี่รูปอาการมองรูปเห็นเราไม่เที่ยงนี่ยออกจะมองยากบางทีร่างกายของเราเองแม้จะผ่านการเวลามามากก็พยายามปรุงแต่งพยายามประดับประดาพยายามใช้ สัญญกรรมพลาสติกอะไรต่างๆเข้ามาประกอบอัตนุถนอมรักษาไว้แล้วก็ยืนหลอกตัวเองอยู่หน้ากระจกแต่ละวันแต่ละวันก็มองเห็นว่ายัางเหมือนเดิมเหมือนเดิมก็ดูยากหน่อยแต่ว่าจะไปมองที่สัญญาเพราะสัญญานั้นจะมีลักษณะเหมือนพยับแดดมันเหมือนจริงแต่ไม่จริงเพิ่งสังเกตว่าพยับแดดที่เราออกไปเดินกลางทุ่งหรือนั่งรถไปก็ได้ มองไปไกลๆแดดร้อนๆจะมีลักษณะเหมือนกับรูปร่างมีรูปมีร่างแต่จริงๆแล้วไม่มีอย่างนั้นนั้นสัญญามันก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกับพยับแดดคล้ายๆจะมีจริงๆมันไม่มีมันเกิดมันดับอย่างต่อเนื่องแต่ส่วนไหนที่เราต้องการให้อยู่ก็ต้องเพิ่มเติมเรื่อยๆ อย่างี่พระเจ้าทรงสอนว่าอสัจฉามลาบันตามนมีการไม่ท่องบนเป็นมนทินบ้านเรือนมีการไม่หมั่นเป็นมนทินเพื่อต้องการแสดงเห็นว่าพิชาการต่างๆที่เราท่องที่เราสาธยายเอาไว้นั้นมันไม่เที่ยงถ้าจะต้องการให้ดำรงอยู่ใช้งานได้ก็ต้องท่องไว้บ่อยๆบ้านเรือนที่เราทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วนั้นไม่ม่เที่ยงเพราะฉะนั้นถ้าต้องการให้สะอาดบ่อยๆก็ต้องหมั่นปัดกวาดเช็ดถูอยู่บ่อยๆ นั่นก็คือแสดงการอนิจจาลักษณะให้ขินอนิจจาลักษณะของมนที่เราท่องเป็นอนิจจาลักษณะของสัญญาคือความความไม่เที่ยงของสัญญาบ้านเรือนแสดงถึงความไม่เที่ยงของรูปแต่ก็ตกอยู่ในสภาพอย่างเดียวกันคือไม่เที่ยงถ้าต้องการรงคงอยู่มันก็ต้องมีการกระทําบ่อยแต่ว่าคงอยู่ตลอดไปไม่ได้หรอกเพียงแต่ยืดอายุของสิ่งเหล่านั้นเอาไว้ เรื่อง จ, จะมองที่สังขารคำว่าสังขารในขันห้านั้นพึงเข้าใจว่าสังขารเนี่ยเป็นคําคลุมสรรพสิ่งเอาไว้นอกจากนิพพานพระเจ้าจะใช้คํารวมๆมาสังขาปรปัญหาว่าเราไปพบคําว่าสังขารที่ไหนพบในที่แห่งหนึ่งอาจจะหมายถึงสิ่งหนึ่งก็ได้แต่สรุปว่าคําว่าสังขารก็คือสิ่งที่ผสมกัน มีลหลายสิ่งที่เกาะกลุ่มกันอยู่ในส่วนส่วนรูปธาตุก็อาจจะแยกเป็นอนูเป็นปรมณูก็สรุปว่ารูปธาตุเหล่านั้นจะย่อยยังไงก็ตามมันเป็นสังขารเพราะมันผสมกันแต่สังขารในขันห้าท่านเน้นไปที่สมุดมารีตัณฑ์ธรรมเจตสิกเจตสิกก็คือสิ่งที่เป็นความดีความชั่วและกลางๆหรือกุศลอกุศลในอภิญญากฤตซึ่งเกิดขึ้นปรุงแต่งจิต เช่นความโลภความเมตตาความริษยาความกระตุนาความมุจจิตาอุเบคาอะไรต่างๆเนี่ยฮิริโอตปะโลภะโทสะเนี่ยคือสรุปมาเป็นสังขารแต่บางอย่างมันก็เป็นกลางๆเช่นว่าเจตนาความจงใจหรือผัสสะการกระทบมานาสีการความใส่ใจเนี่ยคือตัวมันเองมันก็เป็นกลางๆแต่รู้ว่าสังขารก็คือสิ่งที่ เรียกว่าธรรมะอีกนั่นเองแต่เพิงสังเกตุธรรมะนั้นแก่มันเกิดขึ้นจากส่วนประกอบเช่นเมตตาเนี่ยมันต้องมีองค์ประกอบไปเกิดเมตตาจึงเป็นธรรมที่ผสมกันมีวัตถุเมรุมีบุคคลเป็นที่ตั้งแห่งเมตตามีกุศลและเจตนาที่เป็นเชื้อเมตตาอยู่ภายในและตัวเชื้อนั่นเองก็มีส่วนประสมแต่นั้นท่านสรุ ป, ปรวมว่าเป็นสังขารคือเกิดขึ้นปรุงแต่งกิจ สร้างความเปลี่ยนแปลงด้านดีด้านไม่ดีด้านด้านกลางๆให้เกิดขึ้นภายในจิตซึ่งเห็นได้ชัดเลยว่าไม่เที่ยงเช่นว่นนั่งสมาธิใจซึส ง, งบบางทีได้แวบเดียวบางทีไม่ได้เลยแต่แสดงแม้แต่ตัวสมาธิเองมันก็ไม่เที่ยงมีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงอยู่ทุกขณะเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปบางทีไดบ้บางทีไม่ได้บางและแม้แต่ฉันทะ หรือเจตนาหรือความเพียรหรือสติหรือสัมมาจัญญะที่ใช้ในการเจริญกรรมาฐานให้เราสังเกดูแกไม่เที่ยงบางทีสติตั้งระลึกได้ดีๆจหนสมมติเบริกรมรมภาวนาพุโทโธพุโทโธตั้งสติมีสัมมาจัญญะมีความเพียรอยู่พุโทโธไปได้พักเดียวปลิวหายไปไหนไม่รู้ก่าจะดึงกลับมาได้ก็เสียเวลาไปนาน นี่คือสังขารจะเป็นกุศลจะเป็นอกุศลหรือจะเป็นกลางๆ ก, งก็าตามที่เกิดขึ้นภายในจิตนั้นแก่ไม่เที่ยงโดยสภาพเราก็มองได้ในจุดเดิมคือจุดทั่วไปการเรียนรู้ในชั้นนี้ในส่วนที่เป็นความไม่ดีก็ปล่อยให้แกเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพอย่าไปเพิ่มอย่าไปให้เชื้อแกในส่วนที่เป็นความดีเมื่อต้องการได้รงคงอยู่ก็เพิ่มเชื้อในความดีเหล่านั้นขึ้นไป เพื่อรักษาคุณภาพเอาไว้แล้นั้นในการปฏิบัติบําเพ็ญเพียรที่จริงมันก็แสดงให้เห็นถึงความไม่เที่ยงของทั้งกุศลและอกุศลเห็นว่าส่วนที่เป็นอกุศลก็ป้องกันไว้ยา้ายเกิดที่มีอยู่แล้วก็พยายามละเพราะทําไม่อย่างนั้นแก่ได้เชื้อเพิ่มขึ้นแกเติบโตมากยิ่งขึ้นในส่วนของความดีก็พยายามประทำำําบําเพ็ญ แล้วก็ที่มีอยู่แล้วก็พยายามรักษาไว้การให้พยายามรักษาไว้แสดงเห็นตังความเปลี่ยนแปลงของกุศลธรรมพราวแกก็ตกอยู่ในสภาพไม่เที่ยงเหมือนกันสังขารคือสิ่งที่เกิดขึ้นประกอบกับจิตเฉพาะในกรณีของขันธ์ห้าท่านก็เน้นไปที่3ประการเนี่ยก็เป็นของไม่เที่ยงไม่เที่ยงโดยสภาพของแกแกเกิดขึ้นที่จิตใครแกก็แสดงอาการไม่เที่ยงออกมา การพิจารณาเห็นสังขารว่าเป็นของไม่เที่ยงจึงทําให้เกิดเบื่อหน่ายคลายกําหนัดในอารมณ์ทั้งหลายลงไปได้เช่นเดียวกับเรื่องอืง่นๆแาจจะยกสังขารขึ้นมาเพียงอย่างเดียวก็ได้ยกขึ้นมาพิจารณาดูถึงความเปลี่ยนแปลงในตัวของแก่เปลี่ยนแปลงตะเขตบปัจจัยภายนอกและเปลี่ยนแปลงอยู่ในตัวของแก่ก็พิจารณาไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งในชีวิตประจําวันเนี่ย ควารู้สึกเกิดที่เป็นกุศลขึ้นปรุงจิตบ้างอากุศลปรุงจิตบ้างกลางๆเกิดปรุงจิตบ้างพอเราลงก็มีอยู่สามกลุ่มได้กลุ่มที่เป็นอกุศลก็ปล่อยมันดับไปไม่ต้องไปรื้อฟื้นมาอีกกลุ่มที่กลางๆลงจึงว่าที่จริงก็มีอิทธิพลต่อจิตน้อยนอกจากจะไปกําหนดแกในฐานะใดฐานะหนึ่งจึงเกิดมีอิทธิพลขึ้นมาส่วนที่เป็นดีๆ ก็พยายามเพิ่มพูนพยายามรักษาไว้แต่ว่าพอถึงจุดของวิปัสสนาจริงๆก็จะถ่ายถอนความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งเดียดนั้นประดังที่ได้กล่าวมาแล้วว่าธรรมนั้นที่จริงทรงสแสดงเหมือนกับแพรริยานภาณะสำหรับอาศัยค้าฝากพอถึงจุดหนึ่งจึงทรงสอนว่าทาต้งปวงบุคคลไม่ควรยึดมั่นถือมั่นคือไม่ให้เกาะไม่ให้ติดอยู่ในจุดใดจุดหนึ่ง ก็เป็นเพียงเป็นเป็นเพียงเครื่องอิงอาศัยเป็นยานภานะสำหรับอาศัยค้ามฝากเพื <EN> ่อจะให้บุคคลไม่เป็นหลงติดอยู่ในจุดใดจุดหนึ่งซึ่งกรารมในบัตดในลักษณะนี้เป็นสังเกตว่าที่พุทธเจ้าทรงใช้คำว่ารูปปราคะอรู ป, ปราคะหรือการมราคะเนี่ยในชั้นหนึ่งจริงๆแล้วเราจะพบว่าพวกกรารมราคะนั้นก็คือติดในความสุขตั้งแต่ธรรมดาไปจนถึงสวรรค์ อรู ป, ปราคะมันก็ติดในความสุขจนถึงรูปประพรมอรู ป, ปราคะก็ติดในความสุขจนถึงอรูปในอรูปประพรมหรื อ, อรูปประพบทั้งหลายเนี่ยถึงจุดหนึ่งเป็นจุดที่ต้องพยายามสร้างขึ้นเมื่อเรายัางไปไม่ถึงเป็นสามัญชนทั่วไปก็ต้องบำเพ็ญเพียรเพื่อสวรรค์เพื่อความสงบขึ้นไปเรื่อยๆจนเป็นรูปประชานรูปประชาน แต่พอถึงแล้วปรากฏว่าทรงสอนให้ปล่อยวางทรงสอนปล่อยวางทรงสอนให้ถ่ายถอนประเภทพวกรู ป, ปราคะอรมณราคะาปะจริกิเป้าไม่ได้อยู่ตรงนั้นจนกว่าจะถึงจุดหมายสูงสุดในจุดหมายสูงสุดล้วก็ถ่ายถอนความยึดมั่นถือมั่นที่ท่านแสดงในตอนสุดท้ายของพระสูตรส่วนมากแสดงสภาพจิตของพระหันที่ว่าจิตหลุดพ้นแล้วจากอาสวะทั้งหลาย ไม่ถือมั่นได้อุปาทานแลพึงสังเกตว่าหลุดพ้นนั้นจากอาสวะแต่ไม่ถือมั่นในอุปาทานคล้ายๆกับพูดคนละเรื่องคือกิเลส ท, ที่หมักหมมอยู่ภายในใจท่านเรียกว่าอาสวะและกิเลสตัวนั้นเองเป็นเหตุได้เกิดความยึดถือท่านจึงเรียกว่าอุปาทานเพราะนั่นจึงเป็นการพูดถึงสิ่งเดียวกันแต่พูดคนละสถานะกัน หุดตรงหมายจริงๆจึงอยู่ที่การปล่อยวางในสัตว์และสังขารทั้งหลายแต่ในชั้นของชีวิตประจําวันเราก็หาประโยชน์จากเรื่องเหล่านี้ได้ตามสมควรแก่ฐานะดังกล่าวดรานการกําหนดหมายเห็นว่ารูปเป็นของไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงที่สวดกันรู ป, ปางานิจังรูปไม่เที่ยงเวเดลานิจจาเวทนาไม่เที่ยงสัญญานิจจาสัญญาไม่เที่ยงสังขารานิจจาสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงจนถึงวิญญาณังอนิจจังวิญญาณเป็นของไม่เที่ยงนั้น เป็นการศึกษาให้รู้ถึงความจริงทแท้จริงของสิ่งเหล่านั้นที่รวมกันเป็นขันท่าอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือว่าเป็นของเราเป็นเราเป็นตัวตนของเราเพื่อบุคคลจะได้รู้ความจริงว่าแท้จริงแล้วแม้สิ่งที่เรียกว่าของเราก็ไม่เที่ยงความเป็นเราก็ไม่เที่ยงความเป็นตัวตนของเราก็ไม่เที่ยง เพราะความยึดถือเหล่านั้นเกี่ยวเนื่องอยู่กับขันทั้งห้าและขันทั้งห้านั้นเป็นของไม่เที่ยงโดยสภาพเมื่อขันห้าเราไม่เที่ยงขาน่าเราอื่นมันก็ไม่เที่ยงและจับใดที่ยังเป็นขันอยู่ไม่ว่าจะมีความประณีตอย่างไรก็ตามก็ตกอยู่ในสภาพเดียวกันก็คือความไม่เที่ยงเมื่อใดมองเห็นได้อย่างนี้เมื่อนั้นก็จะหน่ายในความทุกข์ในกองแห่งทุกข์นี้คือทางแห่งความหมดจดต่อจากนี้ไปขอให้ตั้งใจทําความสงบสืบต่อไป